ข อ, อนอบน้อมพระรัตนไทยประสง์กราบการหลวงพ่อกรมพระเทรานุเทระเพื่อนสรมมีทุกท่านอาจจริญในธรรมแมชีแล้วก็ผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันพระพระอาจารย์สุดินภาพวกเราสวดพระหุงบทพระหุง หรือถ้าจะเรียกชื่อเต็มๆเรียกว่าพุทธชัยมงคลคาถานะเป็นคาถาที่เป็นพุทธวิธีในการแทงใจชนะของพระพุทธเจ้านะมีแปดมีแปดบทนะซึ่งวันนี้ก็จะมาเล่าความเป็นมาหรือว่าอธิบายให้ฟังเนาะเท่าที่ทราบนะนนก็ ให้ฟังให้พิจารณาศึกษาต่อกันกันเพิ่มเติมแล้วกันอในความเป็นที่มานะก็ไม่รู้ว่าไม่รู้แน่ชัดว่าใครเป็นคนแต่งนะบางก็ว่าเป็นทางสีตังกานะพระสีตังกาเป็นคนแต่งเพราะว่าที่สีตังกาก็ก็สวดบทนี้นะกันกันคล้องนะในไทยเองก็อ้างว่าในไทยก็ก็ เป็นคนแต่งนะมีครูบาาจารย์รูปหนึ่งนะที่ท่านมีชื่อเสียงมากท่านก็ว่าท่านนิมิตนะไปเจอพระสมเด็จพระวรรณรัตน์นะในสมัยตั้งแต่อายุทยานะวัดปากแก้วนะบอกว่าท่านเป็นคนรจนาแต่งให้พระสมเด็จพระนเรศวร น, นะไว้สวดในพระราชวังหรือว่าสวดตอนออกศออึกนะแต่ก็ ใครจะคนแต่งก็ไม่สำคัญเท่ากับเนื้อหานะเนื้อหาข้างในที่เป็นพุทธวิธีที่มีพระพุทธเจ้าชัญนชนะสิ่งต่างๆนะที่จริงพระพุทธเจ้าในพระชนมายุ่45พรรษาที่เผยแผ่ธรรมะนี้ก็มีหลายเหตุการณ์ที่สำคัญนะมีหลายเรื่องหลายราวที่ก็น่าสนใจแต่ท่านก็เลือกมาแปดเรื่องใหญ่ๆ ห, ห, หลักๆที่ มาตจนาเป็นบทพุทธชัยมงคลตอนนี้เริ่มแรกนะบทแรกเลยท่านบอกว่ามารพันมือนะมารพันมือถืออาวุธนะคบมือเลยนะขี่ช้างนะศึกออกมาท้าพระพุทธเจ้าในวันที่พระเจ้าจะจะตัดสรุนะวันที่พระ้พระพุทธองค์นั่งอยู่ใต้ต้นสีมหาโพธิ์ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา มีมารออกมาพร้อมทั้งเสนามารด้วยนะไม่ใช่มาแต่มารคนเดียวนะมีลูกน้องมีสมุนมีอาวุธครบมือว่าอย่างนั้นเถอะนะมารคนนี้ก็มามาบอกพระพุทธเจ้าว่าอันเนี้ยที่นั่งของเรานะ่ะจงลุกไปจากที่นั่งนี้เถอะนะพุทธเจ้าบอกนี่ที่นั่งของเราไม่ใช่ที่นั่งของเธออืมมารก็ถามตอบว่า ท่านมีหลักฐานอะไรนะพระพุทธเจ้าก็เอาเอามือเนาะแตะไปตรงที่แผ่นพื้นพื้นแผ่นดินบอกว่าเนี่ยเนี่ยเรามีพื้นแผ่นดินเนี่ยแหละเป็นหลักฐานเป็นพยานนะในตำนานเขาก็ว่าพระแม่ธรณีนะก็ก็แปลงร่างมาเป็นหญิงสาวเป็นนะที่เราเรียกว่าอา่าเป็นมีรูปปั้นเนาะแม่ธรณีบีบมวยผมนะ มาเป็นพยานก็บรรดาให้น้ำอ์มาจากมวยผมท่วมทับพญามารแล้วก็เสนามารปราปรามารใดวิธีนั้นหรือบางทีก็มีแบบคล้ายๆมีภาพแบบพญามารพร้อมด้วยเตนายิงอาวุธมีไฟมีอะไรต่างๆเข้ามาพุทธองค์พระองค์งก็แปลเปลี่ยนอาวุธสิ่งชั่วร้ายให้เป็นดอกไม้สักการะพระพุทธองค์ก็มี นะอันนี้ก็เป็นเรื่องดาว ใ, ในวันที่พระเจ้าท่านตัดสรู้ในวันเพ็ญเดินหกนะมารเดินนี้นะักก็มีชื่อนะชื่อวัตวัตตีมานนะแปลว่าผู้ที่ทําให้ผู้อื่นเรือผู้ที่ครอบงําผู้อื่นนะเป็นมารที่อยู่ในสวรรค์นะอสวรรค์ชั้นบารมินวัตวตวตตีเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดเลยนะ ก็น่าสนใจนะในสวรรค์ก็มีพระยามารเขาบอกว่าสวรรชั้นนี้แบ่งการปกครองเทพปกครองครึ่งหนึ่งนะมีวัตวตตีเทพปกครองครึ่งหนึ่งวัสวัตวตีมานิปกครองอีกครึ่งหนึ่งนะแต่ถ้าจะตีความว่าอาจจะเป็นเรื่องราวที่ท่านปราบกิเลสนะชนะกิเลสนะกิเลสทั้งหลายเนี่ยมันมามาดมเรามันมามันมาใคล้าย ทำสงครามข้างใหญ่นะก่อนที่พระองค์ท่านจะตัดสรูนะุ้ปเพราะว่าท่าองค์ตัดสรุปแล้วมารต่างๆนี่ก็ขอมงําไม่ไดนะ้ก็ต้องยกขบวนกันมาทั้งทั้งบทแต่ละทั้งความโรบทั้งความโกโรธทั้งความหลงกิเลสพันห้ันห้อยแปนี่มาดุมมาด้าทั้งหมดนะท่านชนะได้ด้วยอะไรด้วยบารมีทั้งหมดที่ท่านทํามาไม่รู้กี่ภพกี่ชาตินันะ่นแหละสามสิบ บารมี30สทัศน์นี่แหละก็เอามาใช้ทั้งหมดเลยเช่นทานบา น, นบารมีนศิลนบารมีปัญญาบารมีวิริยาบารมีขันติบารมีนะบารมีทั้งหมดน่ะเอามาใช้นะมันก็เชื่อว่าถ้าวันที่เราต่อสู้กับพยามารอย่างหัวเด็ดตีนขาดเนี่ยต้องอาศัยทุกอย่างนะอาศัยทุกอย่างที่เราสะสมนะไม่ว่าจะเป็นปัญญาขันติ ความอดทนอดกั้นหรือแม้แต่ความตั้งใจมั่นสมาธิทุกอย่างเอามาใช้เอามาใช้ดังนั้นเราจะได้เห็นว่าสิ่งที่มันเป็นสิ่งดีๆเป็นธรรมธรรมะทุกอย่างถ้าเราทําหรือว่าเราสะสมเนี่ยมันก็ได้เอามาใช้ทั้งหมดนั่นแหละนะไดเอามาใช้ทั้งหมดอย่างพระพุทธองค์ท่านชนะนะทานทายกิเลสในจิตใจของท่าน ที่เปรียบเหมือนเป็นพญามารแล้วก็เสนามารเนี่ยก็ท่านก็เอาสิ่งนี้มาใช้นะอันนี้คือคือเรื่องแรกนะเรียกว่าปราบมารพันมือนะนก็คืออาจจะเป็นเรื่องการปราบกิเลสในจิตใจของท่านนั่นแหละท่านก็สามารถชนะนะกิเลสในใจของท่านได้เรื่องที่สองนี่เป็นเรื่องของของยักษ์นะเรียกว่า อ, อาอาละกะยักษ์ นะเป็นยักษ์ที่อยู่ในเมืองในเขรดแควนอา ร, อารวีนะเขาว่าอยู่ในเมืองนี้นะมียักษ์เยอะเรื่องราวเขาบอกว่ามีมีเจ้าเมืองนะออกไปล่าสัตว์ออกไปล่าสัตว์ออตในป่าก็ปรากฏว่าพัดดงจากพวกบรเรียว่าราช อ, องค์คารักษ์ต่างๆนะก็ลงไปโดนยักษ์จับนะ พอยักษ์จับไงยักษ์ก็ว่าจะจับกินด้วยความกลัวตายนะก็อ้างว่านี่เราเป็นกษัตริย์นะท่านกินเราวันนี้ท่านก็อิ่มแค่วันเดียวขอต่อดองแบบนี้ได้ไหมถ้าเธอปล่อยตัวเรากลับไปนะเราสัญญาว่าเราจะส่งคนมาให้เธอจับกินทุกวันยักษ์ก็ตกลงตามสัญญานะเพราะเชื่อว่านี่เป็นกษัตริย์จริงนะกลับไปกลับไป ที่เมืองก็เรียกว่าเอานักโทษประหารชีวิตเนี่ยส่งมาให้ยักทุกวันทุกวันนะก็จนกระทั่งในคุกก็หมดลนะนักโทษประหารชีวิตก็หมดนะแล้วบางทีก็แก้งเอาอทองมาวางไว้บนท้องถนนนูนะ้นนใครมาจับมาหยิบทองไปก็ก็ใหท้ทหารจับขุมว่านี่เป็นหัวขโมยนะจับกลุ่มลงโทษ เอาไปให้ยักษ์นะเอไปให้ยักษ์จับกินนะประมาณนะี้จนกรทั่งผู้คนในเมืองในเดือดร้อนกันมากนะเพราะว่าโดนส่งไปจับไปให้ยักษ์กินทุกวันทุกวันพวกพุทธองค์ท่านก็ทราบข่าวว่าเมืองนี้เดือดร้อนโดยเรื่องนี้ท่านก็เสด็จมาพร้อมกับหมู่สง์นะเขาว่าท่านก็ไปในที่อยู่ของยักษ์เลยแหละนะไปที่อยู่ของยักษ์เป็น เห็นบรรลังของยักษ์ตั้งอยู่อยู่ที่ต้นต้นไทรนะพระองค์ก็ไปนั่งที่ต้นไทรตรงนั้นแหละเพรยักษ์กลับมามาเห็นว่าพระพุทธเจ้านั่งอยู่ตรงนั้นก็โกรธใหญ่เลยว่าอันนี้ที่นั่งของเราเธอรุกจากที่นั่งเนเธอนะพระเจ้าพอยักษ์บอกให้ลุกขึ้นนะท่านก็ลุกนะนะท่านก็ไม่ดื้อ น, นะแล้วรุกก็ลุกนะยักษ์เห็นเออ พระเจ้าไม่ใช่คนดื้อดึงมากนะบอกให้ลุกก็ลุกในลองสั่งให้นั่งซิเธอจะนั่งลงะพระเจ้าก็นั่งลงน ะ, ะยักษ์ก็ได้ใจใหญ่นะ่นะก็บอกพระเจ้าลุกขึ้นอีกนะพระองค์ก็ลุกขึ้นนะออืลุกขึ้นบอกให้นั่งลงก็นั่งลงอีกนะออืม่ก็ทําแบบนี้หลายครั้งจะนะทั่งยักษ์มาตอนแรกก็กดโกรธพอเห็นพระเจ้าไม่ใช่เป็นคนที่ ที่ดื้อหรือใดมาท่านก็ท่านก็ใจเย็นลงนะใจะเย็นเยอะใจเย็นลงนะก็ก็มาคุยกันสนทนาธรรมกันยักษ์นี้ไม่ใช่เป็นคนงงโง่นะในในพระสูตรเนี่ยก็ว่าท่านสนทนาธรรมกันกันหลายข้อตั้งคําถามให้วิเจ้าตอบหลายข้อมีมีคําถามที่เด่นเดนะ่นนะเนี่ยอยู่อยู่สี่ข้อ <c oughs> <c oughs> ยักษ์ถามว่า อะไรคือทรัพย์ที่ประเสริฐสุดในโลกนี้อิมพวกเราลองคิดดูนะอะไรคือทรัพย์ที่ประเสริฐสุดในโลกนี้ข้อที่สองนะยักถามว่าอะไรที่บุคคลประพฤติ ด, ดีแล้วนํามาสร่งความสุขข้อที่สามนี่ยักถามว่าลดอะไรนี่เลิด ก, กว่าลดทงปวงนะข้อที่สี่นี้ ยักถามว่าการประพฤติเช่นไรอชื่อว่าเป็นการประพฤติที่ประเสริฐสุดการเป็นอยู่เช่นไรชื่อว่าเป็นการเปรอยู่ที่ประเสริฐสุดนั่นแหละยักถามคําถามนะไม่ใช่คําถามแบบคนไม่มีวิญญาณนะถามคําถามที่แม้แต่นักปราชาก็ยังตอบยากพุะธเจ้าท่านก็ตอบนะตอบคำถามท่านบอกว่าอ ทรัพย์อะไรที่ชื่อว่าประเสริฐสุดก็คือศรัทธาศรัทธาชื่อว่าเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐที่มีค่าที่สุดส่ว น, นการการประพฤติเช่ในใดชื่อว่านำมาซึ่งความสุขพูะพองค์บอกว่าการประพฤติธรรมการประพฤติธรรมดีน่ะนำมาซึ่งความสุขผู้ที่ประพฤติธรรมดีนำมาซึ่งความสุข ส่วนลดอะไรเป็นลดที่เลิศ ก, กว่ารถท่องปวงพระพุทธองค์ท่านบอกว่าความสัตย์จริงความสัตติคือรถที่เลิศ ก, กว่ารถท่องปวงส่ว น, นาการประพฤติเช่นไรชื่อว่าเป็นการดํารงชีวิตที่ประเสริฐสุขพระพุทธองค์บอกว่าก็ผู้ที่มีปัญญานั่นแหละนะผู้ที่มีปัญญาชื่อว่าเป็นผู้ที่ มีชีวิตที่ประเสริฐพอพทธองค์แห้ตอบเช่นนั้นนะแต่ในพระสูตรก็บอกว่ามีอีกอีกหลายคำถามนะ พ, พระเจ้าก็ตอบจนทั้งยักษ์ยอมสิโล ร, ราบนะแสดงตนเป็นพุทธมาร ก, กะเลยน ะ, นะยอมแพ้นะสิโล ร, ราบเลย mm hmm. บางทีก็อาจจะตีความยักษ์ตัว น, นี้อาจจะเป็นคนดุร้ายก็ได้นะคนที่เจ้าโทสะ mm hmm. อะหรือว่าเป็นบางทีก็เพระบอกในทางมนุษ วิทยาเขาบอกว่าก็อาจจะแปลงเป็นเหมือนพวกชาวชาวเผ่าอยู่ในป่าที่ชอบกินกินเนื้อคนอะไรแบบนั้นนะก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะแต่ก็น่าสนใจนะพระเจ้าท่านปราบคนดุร้ายปราบคนโมโหโดยการที่ค่อยๆให้เขาลดความโกรธของเขาก่อนนะบางทีก็ยอมเขาบ้างนะยอมมีเมตตาอ่อนโยนให้กับเขาพอคนคนนี้นะเขาโมโห ความโมโหโน้อยลงไปเขาก็เขาก็คล้ายๆใจเย็นขึ้นก็พูดกันด้วยเหตุได้ผลถามตอบแบบปัญญาชนเลยนะบางทีพวกโทสะจิตเนี่ยเป็นพวกที่ทมีปัญญามากนะสังเกตไม่คนเรียนเก่งๆคนเรียนสูงๆเนี่ยบางทีโทสะสุดมากนะทีพวกทิฐิมากเนี่ยก็ทำให้เกิดความโกรธมากนะวิธีชนะความโกรธก็ค่อยๆให้เขาใจเย็นลงนะคุยกันด้วย สติปัญญานะพระเจ้าปราบปราบอ า, อาบราบกายยักษ์นะโดยประการชนนี้ส่วนเรื่องที่สามนี้นะหลายคนก็อาจจะอาจจะรูอยู่เนาะนะนะว่าปราบช้างนาราคิริงนะช้างนาราคิริงนี่พระเทวทัตนะเป็นคนขอยืมมาจากพระเจ้าอาชาศัตูนะนะ เนี่ยก็ยืมมาเทวทัตนี่ก็จะทำร้ายพระพุทธเจ้าหลายวิธีแล้วก็ไม่ได้ผลสักทีก็คิดว่านี่แหละจะเอาช้างนี่แหละมามาทำร้ายพระพุทธเจ้านะใช้คนมาทำร้ายนี่โดนเปลี่ยนใจหมดเลยเนะี่ยเอานายทนูมายิงเนี่ยพระเจ้าเปลี่ยนใจนายธนูหมดเลยมาบวชหมดเลยนะก็เอาช้างดีกว่าเพื่อจะพูดกันไม่รู้เรื่องนะก็ปล่อยช้างตกมันนะชื่อนาราเคีดิง มากลางถนนเลยนะเจอพระพุทธเจ้าสเสด็จบินธบาติอยู่กับพระอนนท์พระอนนท์เห็นช้างตกมันวิ่งจะมาใส่พระเจ้านะพระอนนท์นะไม่ทักกุดไม่ทักตัวกวดตายนะออกมาบังหน้าพระเจ้าเลยนะอืมาขวางหน้าช้างเลยแต่พระเจ้าก็บอกอนนท์ว่าอมไม่ต้องทําเช่นนั้นดอกนะอันตรายเพราะช้างย่อไม่มีแกเราแน่นอนนะแต่ด้วยความรักถ้าไม่ห่วงตัวเลยนะมา เป็นคนที่เรียกว่ารักพระพุทธเจ้ามากกว่าชีวิตของตนนะช้างพอเห็นพระอานุน์มาขวางหน้าพระพุทธเจ้านะเขาเบี่ยงนะเบียบ่ยงเบี่ยงออกไปหาพอดีในท้องถนนนะัมีเด็กนั่งร้องไห้อยู่นะอาจจะเห็นช้างแล้วก็กลัวมั้งช้างจะไปกระทืบเด็กที่อยู่กลางถนนพระเจ้าท่านก็ใช้นะใช้เมตตานะแผ่เมตตาให้กับสัตว์ แผ่เมตตาให้กับช้างช้างที่ดุมันเอ่อตกมันนะดุร้ายก็กลายเป็นช้างที่เลิกดุร้ายนะแล้วก็อ่อนโยนนะค่อยๆนะเดินมาหรือว่าหมอบต่อหน้าพระพุทธเจ้านะใช้ความเมตตานะใช้พระเมตตาในการปราบนะอาจจะเป็นเกติดนึงนะเสริมบางทีเนะี่ยเมตตาเนี่ยการแผ่เมตตาเนี่ยเราใช้กับสัตว์หรือใช้กับบุคคล ที่มีตัวตนมีชีวิตแบบนี้ยอแผ่เมตตาไปบางคนนะเจอผีแผ่เมตตาเนี่ยไม่ใช่นะเจอผีเน่ต้องแผ่แผ่บุญอขวดน้ําอแผ่บุญกุศลให้แต่ถ้าเจอสัตว์ดุร้ายอะไรต่างๆเนี่ยเราแผ่เมตตานะอืมอันนี้จะเจอจริงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ให้มันแยกแบบนี้บางคนไปมั่วไปขวดกลัวผีกลัวผีนะแผ่เมตตาเนี่ยไม่ได้นะอืแต่บางคนก็ว่ายิ่งแผ่ แผ่บุญไปให้เขาเขายิ่งมาใหญ่อีกล้อกนะ็แล้วแต่ความเชื่อนะอันนี้เป็นเกตเต็มๆกัน้อยไปนะอืแต่จริงก็เห็นเนะี่ยพระเจ้าแบบปราบสัตว์นะที่ดุร้ายด้วยพระเมตตาของท่านนะก็กลายเป็นช้างที่เชื่องได้ส่วนเรื่องที่สนะี่เนี่ยเป็นเรื่องราวขององค์ุริมานนะหลายท่านก็คงทราบดูจักอยู่แล้วเรื่องพระเจ้าทเชนะองคุริมานนะ องค์ุลีมาเนี่ยเป็นเป็นเป็นคนที่เรียนเก่งนะเรียนเก่งนะเรียนกับอาจารย์ที่สาปามโมตที่เมืองตักกศสีลานะเรียนเก่งจนทั้งเพื่อนในห้องนะหรือเพื่อนในโรงเรียนอิจฉานะตั้งกลุ่มหรือว่าดวมหัวกันเลยเพืให้ไปยุยงนะขอบอาจารย์อาจารย์ตอนแรกก็ไม่เชื่อนะไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อพูดยังไงก็ไม่เชื่อแต่ก็อย่างว่านะบางที น้ำหยดลงหินนะทุกวันหินม้ก็ยังกร่อนนะจิตใจของอาจารย์ก็จะเริ่มวันไหววาหรือว่าอาหิงสกคนนี้จะจะเรียกว่าจะคิดไม่ดีนะกับเราจริงๆนะก็เลยออกกุบายให้อหิงศกไปหาอาหิงศกคือชื่อเก่าขององค์คุติมานนะออกมาหานิ้วมือของคนมาให้สักหนึ่งพันนิ้วนะเราจะประสิทธิศาสตร์วิชาสุดยอดให้ อินสกาก็เชื่อฟังครูบาจารย์อย่างดีก็ไปเริ่มหานิ้วมือเนาะนิ้วจะไปขอเข้าเฉยเขาก็ยากที่จะให้นะก็ต้องไปฆ่าเขานะเพื่อเอานิ้วมือมาคล้องเป็นสร้คอรอบพวงมาลัยก็เลยได้ชื่อว่าเป็นองค์คุลีมานนะท้ายแล้วได้เก้า้อยเกบเ้านิ้วแล้วทํายังไงเจอใครก็จะเอาให้ได้ใกล้ครบพันนิ้วแล้วหน้ามือตาห ม, มัว เดินไปสีแยกเจอแม่ตัวเองก็จําไม่ได้เมื่อเจ้าทันเห็นว่าถ้าองค์ครุยมานเนี่ยฆ่าแม่ตัวเองนะเขาเรียกว่าเป็นมาตุคาตเป็นอนันตเดียกรรมเป็นกรรมหนักปิดปิดสวรรค์ปิดนิพพานในปัจจุบันชาตินั้นทันทีแต่พระเจ้าก็เห็นว่ า, าองค์ครุยมานนี่น่าจะพอช่วยได้พระองค์ก็เลยเสด็จไปที่ทางแยกตรง น, นั้นองค์ครุยมา น, นาเห็นผู้หญิง กับเห็นพระนี่องคติ ม, มานเลือกพระเลือกวิ่งไล่ตามพระนะวิ่งไล่ตามพระวิ่งไปถึงสามโยชนะเขาก็ว่าพระพุจธเจ้าก็เดินธรรมดาแหละด้วยฤทธิของท่านก็เดินธรรมดาองคติมานร่างกายแข็งแรงวิ่งไล่ก็ยังไม่ทันก็เลยบอกว่าธรรมทะเธอจงหยุดนะพระพเจ้าก็ก็ตอบกลับนะเราหยุดแล้วแต่เธอเน่ยยังไม่หยุด องค์ุลิมานก็ถามหยุดอะไรเธอยังเดินอยู่เราวิ่งตามยังไม่ทันเลยเราหยุดจากการทําบาปแล้วแต่เธอสิยังไม่หยุดจากการทําบาปโอองค์ุ้นมานได้ฟังแค่นั้นก็น้ําตาไหลทิ้งดาบลงกราบพระพุพพทธเจ้าเลยนะอืสํานึกผิดในบาปที่ตัวเองทําก็จะทั้งบวชเป็นพระในบรรดุเป็นพระอรหันต์ต่อมา เรื่ององค์คริมานี้ก็น่าสนใจนะจากคนที่ดีๆจากคนที่เรียกว่าบริสุทธิ์เราเห็นวบางทีแรกๆ ก, ก็อาจจะทําแบบตึงตึงหงิดใจนะต้องไปเอานี่คนอื่นแล้ไปเบียดเบียนคนอื่นแล้วไปฆ่าคนอื่นแต่พอฆ่าบา่อยๆเนี่ยจิตใจมันเริ่มสกปรกมันเริ่มแบบตายด้านฆ่ากี่คนกี่คนก็ไม่เป็นไรนะบางทีก็ต้องระวังบางทีนี่ยบาปกรรมความชั่วเนี่ยแ ร, แรกทําอาจจะทําด้วยความละอาย ทำด้วยความเกรงกลัวนะแต่พอทําไปบ่อยๆนี่มันหน้าด้านมันเคยชินนะเหมือนกับคล้ายๆผ้าสีขาวแล้วนะค่อยๆเปื้อนฝุ่นค่อยๆเปื้อนคราบสกรปรกไปเรื่อยก็กลายเป็นผ้าสีดําได้กลายเป็นผ้าข้าวคีดิลก็ได้ใช่ไหมจิตใจของเราก็เหมือนกันนะอย่าปล่อยให้กิเลสครอบงําบ่อยๆถ้าเรากระทำบ่อยๆเนี่ยมันก็จะสะกปกแล้วก็แปดเปื้อนได้นะในองค์คุณธรรมนะอ ส่วนเรื่องที่ห้าเนี่ยเป็นเรื่องของเรียกว่านางจินจาเขาว่านางจินจานี่ยเป็นเรียกว่าเป็นค้าเป็นภาษาพวกเราเรียกเป็นอุบาติกาเนาะในนัทิหนึ่งเขบอกเป็นนาทีนาทีหนึ่งนัทีของเดลทีเดลทีนี้เขาก็ว่านั่นน่าจะเป็นของของท่านมหาวีระศาสนาเชนก็เห็นพระพุทธเห็นพระสงค์ในศาสนาเชนเนี่ยคล้ายๆ ปรึกษาหาดูหรือว่าเกิดความเกิดเรื่องราวแบบน่าดำคั่าเครียดนะอาจจะเพราะดาบสักการะเสื่อมไปเพราะมีมพูธเจ้าขึ้นมาคนสตัตตาพุทธศาสนาเยอะนะในทถนีก็เลยแบบเกิดความคิดว่าจะทำไงน้อให้พู้เจ้าเสียชื่อเสียงนะก็เลยพอนางมานาะงจินจาทราบเรื่องก็ขออาสาตัวนะช่วย ช่วยนักบวชของตนนะเธอก็คล้ายๆทำท่าเดินเข้าไปในในเชตวันมหาวิหารนะในตอนพกขํามนะพวกชาวบ้านก็เดินสวนออกมาจากวัดเธอก็ดวนเดินสวนไปเข้าวัดนะทําแบบนี้ บ, บ่อยๆทั้งคนสงสัยว่าเธอไปที่ไหนนะก็ถามนะก็ถามว่างเธอก็ตอบแบบยิ้มๆว่านะก็จะไปพักอยู่ในวัดนั่นแหละนะ พักอยู่ที่ไหนล่ะเออก็ไม่ตอบนะอมยิ้มน้อยๆนะบางทีก็พอเขาสงสัยมากๆก็ตอบไปบ้างก็พระพุทธองค์ที่พวกเธอไปฟังทำพักที่ไหนเราก็พักที่นั่นแหละเอนะ่ก็ประมาณนี้นะแต่ก็ยังมีมีหลักฐานพยานก็ทําแบบนี้หลายวันจนคนในเมืองก็เริ่มสงสัยนะคนที่ยังไม่บรรลุธรรมนะแต่คนที่บรรลุธรรมแล้วเขาก็ไม่สงสัยหลักนะ ก็ทาไปจนทั้งมีวันหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านแสดงทำอยู่ท่ามกลางมหาชนหมู่ใหญ่เธอก็เอาไม้กลมๆนะมาไว้ที่ท้องนะผูกเชือกว่าย่างดีพันผ้าไว้นะเดินเข้าไปโจทย์พระพุทธเจ้าท่ามกลางหมูหมูชนบอกว่านี่เธอเด็กพี่ทำดิชันท้องเนี่ยจะทำยังไงต่อประมาณนะั้นก็ทำท้องแล้วจะรับไหมประมาณนะั้น พระเจ้ท่าน ก, ก็สงบนะใช้สมาธิอัดีใช้ความสมงบนิ่งก็ตอบเธอไปว่าเรื่องนี้นะ่ะมีแต่เรากับเธอเท่านั้นที่รู้ก็แน่เนาะเรื่องเรื่องบนเตียงนี่มันก็อาจจะมีแค่สองคนที่รู้พระเจ้าก็สงบแค่นั้นแหละแต่เธออาจจะได้ความคล้ายๆดิ้นโดนเดือดร้อนด้วยตัวเองนะพระเจ้าท่านสงบนิ่งไม่สะเทือนเลย ก็อาจจะเต้นแดงเต้นกาก็ได้นะอืมพาทิมัดแล้วก็เลยดุดตรงมานะท่อนไม้ก็ตกลงมาก็แทบจะหนีประชาชีไม่ได้นะก็เขาบอกว่าพอออกจากเชตวันไปก็ธรณีสูบเลยแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะโดนบาทาอ่ากระทืบจนตายก็ได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของนางจินจาบางทีอันนี้ก็น่าคิดนะบางทีคนที่ศรัทธาใครสักคนหนึ่งอยากจะช่วยใครสักคนหนึ่งเช่น นางจินจในศรัท ธ, ธาเดรัถย์จะจะช่วยเดรัถีนะโดยจิตใจไม่ได้อาจจะไม่ได้เป็นปัตตปา ก, กับพระเที่ยวโดยตรงแต่อยากจะช่วยคนที่ตนเองนับถือแต่ช่วยด้วยวิธีการที่มันไม่ดีมันก็เป็นกรรมที่ไม่ดีกับตัวเองจนทั้งทารณีสูบบางทีพอเราจะช่วยใครสักคนในบางทีก็ไม่คํานึงถึงกนละวิธีเลยใช้วิธีแบบอืมแบบน่าไม่อายแบบนี้ก็มีนะ พระ อ, องค์ท่านก็ใช้สมาธิอดี ND นะในการที่ทําจิตให้นิ่งสงบอยู่เช่นนั้นไม่ต้องตอบโต้อะไรนะแต่เรื่องที่ต่อมาเนี่ยก็เป็นของพวกเดลทีเหมือนกันนะเขาก็ว่าในสํานักของศาสนาเชนเหมือนกันนี่แหละนะมีนิคนชื่อสัจกะเป็นผหูสูดเป็นผู้หูสู ต, สตคือผู้รอบรู้แล้วก็เป็นผู้ที่โต้วาทะกับ ลทัทิกับคนต่างๆมากมายนะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นนักโตวาทีก็ได้นะกะท้าโตวาตีกับภูตเจ้านะที่วัดป่ามหาวันนะโตวาตีอย่างไรนะคนก็มีคนมาสนใจมากนะกส่วนแก่แกโตกันเรื่องพวกนิคนก็ถือว่ามันมีอัตตาที่อัตตาคือตัวตนที่สมบูรณ์นะแต่พระเจ้าทั้งชี้ให้เห็นว่า นะอัตราตัวตนที่สมบูรณ์มันจริงไหมท่านะนก็ชีเห็นขันห้าว่ามันมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่อัตราตัวตนอย่างใดนี่แหละนะแต่ทั้งนะนี้คนชื่สัจจกะเนี่ยก็ยอมรับโอ้จริงๆเนาะเราลงผิดเห็นว่าอัตราคือรูปหรือนามไม่เป็นตัวเป็นตนตจริงๆแต่จริงมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไปเป็นอนัตตานะก็ศรัทธาพระเจ้านะ วันน้องคก็ประกาศตนชัดเจนเนะนะนนมรรคพระเจ้าไปไปรับบิณฑบาตไปฉันที่บ้านของตนประกาศตนเป็นพุทธมามะกะเลยนะจากที่เคยเป็นลูกศิษย์ของของพวกเดชทธธีนัทที่อื่นนัทที่อื่นก็ประกาศตนเป็นพุทธมามะกะนะต่อไปเรื่องที่เจเ น, นี่ยเป็นเรื่องราวของของนาคนะนาคราชชื่อ น, นันโทนาคราชนะ เป็นนาคที่เขาว่าก็อยู่ในป่าเขาว่าเรื่องราวพูะุทธเจ้าพร้อมกับพระอรหันต์หลายรูปที่ทรงอภิญยาทั้งนั้นแหละเหาะข้ามป่าไปนาคอยู่ข้างล่างเนี่ยเห็นพระสง์ในเหาะข้ามหัวตัวเองเนี่เกิดโทสะขึ้นมาเขาอ้างว่าข้ามหัวข้ามหน้าข้ามตาเราได้ไงประมาณนั้น <c oughs> มาเหาะข้ามก็เลยโกรธมากนะก็เลยด่าพระพุทธเจ้านะะด่าพระพเจ้าก็พระเจ้าก็ไม่ว่าอะไรนะก็มีพระหลายรูปที่ทรงอภิน ญ, ญานนะท่านก็อาสาที่จะไปปราบนาคดาษให้ปราบพญา น, นาคให้พระเจ้าก็บอกว่าให้ให้โมคดาณะไปจัดการโมคดาณะรู้ว่าจะจัดการอย่างไรพระโมคดาณะก็แปลงกายเป็นนาคตัวใหญ่กว่า นั่นโทโธน่าคราชอนะีกะตัวใหญ่กว่ายาวกว่าไปรัดกันไปสู้กันนะเขาก็ว่าปราบยันทั้งมัดนันโธน่าขลาดนะไว้กับภูเขาฟาสัสเมนนะอนะก็มัดไว้ดินดนไมุ่ดนะุตก็จะทั้งปราบพยศได้ยอมแพ้นะสู้อิทธิฤทธิ์ของโมกดาณนะไม่ได้เนยจริงการปราบอาจจะตีความว่าเป็นการปราบพยศก็ได้นะ ไม่ใช่เป็นการป่าแบบอาจจะต่อสู้เช่นนั้นแต่เป็นการปาราบพยศนะพวกนาคที่ถือนะที่ถือตนนะก็แต่จริงนาคในทางมนุษยวิทยาเขาก็อาจจะเป็นเหมือนเป็นคนคนพื้นเมืองนะคนที่ไร้ได้อารยธรรมแบบนั้นนะนะนาคนี่ก็ขอบวชก็ไม่ได้นะก็พระพุทธเจ้าอาจจะไปสู่เขตชนบทเช่นนั้นไปเจอคนพื้นเมือง แล้วก็คนพื้นเมืองก็พะยศดุได้พร ะ, ะองค์ก็ใช้อิทธิฤทธิ์นะให้ให้ใหมกหารนะเป็นคนปราก็ได้แต่ปราแล้วก็สามารถชนะได้เขาก็เกิดศรัทธาเรื่มใสนะพวกเจ้าก็ให้อวาดแกแก่นันโทน้าก็ได้ว่าพวกเธอให้ถือศีลถือศีลให้ดีนะอย่าทำปานาติปตก็คืออย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะก็ น, น่าก็รับป่าแล้วก็รักษาศีลอย่างดี นี้เป็นเรื่องราวของนันโทนาคราชนะสุดท้ายก็เป็นเรื่องของภ ก, กาพมนะภ ก, กาพมนะพมเนี่ยภ ก, กาพมนี่มีความเห็นผิดเห็นผิดว่าอะไรเห็นผิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเที่ยงมันไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าพมเนี่ยอยู่ในพ ม, มโรคมานานมากก็ยังเห็นพมโลคนี่ก็ยังเป็นทุกอย่างไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะพระเจ้าก็ทรงใช้ เทศนาธรรมใช้ยานที่ที่ท่านมีนะชี้ให้ผมเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันไม่เที่ยงนะมันเปลี่ยนแปลงไปแต่เพียงแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงเร็วหรือเปลี่ยนแปลงช้าก็ได้เนี่ยบางคนติดอยู่ในพรมพรมรูปหรือเอาพรมหรือเป็นรูปรูปแบบพรมหรืออารูปแบบพรมก็ดีนะมาจะเห็นทีต่างๆเป็นของเที่ยงนะเพี่ยนไม่เปลี่ยนแปลงนะ จักรวาลเกิดดับไม่ท้องกี่กี่ครั้งกีห่หนแต่ผมอาจจะยังไม่เกิดดับเลยก็ได้นะไม่เห็นเป็นความเห็นผิดที่ชัดเจนว่าเนี่ยเป็นความเห็นว่าสิ่งที่มันไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยงผมนะอาจจะเป็นพรมมะโรคจริงๆก็ได้หรืออาจจะเป็นสภาวะที่เราพอเข้าถึงสมาธินะไปติดอยู่ในสมาธิที่มันเที่ยงที่มันสุขสบายเช่นนั้นก็ มันก็ไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงมันอยากจะชอบอยู่ในความไม่เปลี่ยนแปลงอยากให้มันคงทนถาวรแบบนั้นก็ได้แต่พระเจ้ทาทั้งตระชัยเนี่ยแหละใช้ปัญญาของท่านในการชี้ให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนก็เลยชนะประกาพรมได้อันนี้เป็นเรื่องราวในเรียกว่าพุทธชัยมงคลคาถาเนาะที่น่าสนใจทั้งแปดประการนะก็จะตีความได้ต่ัง ตำนานนะเรื่องราวในพุทธประวัติหรือจะตีความเป็นเรียกว่าเป็นธรรมมาทิฏฐานนะเป็นสภาวะการที่ท่านเผชิญกับอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในการชนะมาในตัวของท่านเองหรือว่าในการปราบมารหรือปราบกิเลสในจิตใจของคนอื่นนใ น, ในที่ท่านได้พบได้ประสบนั้นแหะนะนะก็เป็นเรื่องราวที่ก็น่าสนใจนะก็คิดว่า น่าจะเป็นเรื่องราวทีนะ่ให้ข้อคิดในการที่เราจะปราบพยามารเสนามารนะที่ดํารงอยู่ในจิตใจของตนนะให้ได้อย่างที่ที่พระพุทธเจ้าท่านปราบนะพยามารตอนนั้นหรือถ้าเราอาจจะใช้ในการเกี่ยวข้องกับคนอื่นหรือสัรพสัตย์อย่างอื่นก็ได้ว่าท่านใช้จิตอย่างไรนะในการที่จะชนะชนะคนอื่นหรือสิ่งอื่น แต่ท่านไม่ได้ใช้สิ่งที่มันไม่ใช่ธรรมะทั้งนั้นนะท่านใช้สิ่งที่เป็นธรรมะในการปราบนะปราบคนที่เข้าใจท่านผิดคนที่รอบจะทําร้ายท่านหรือคนที่มุ่งจะท้าทายท่านนะท่านใช้ธรรมะในการปราบทั้งนั้นนะก็ให้พวกเราทุกคนที่เป็นพุทธบุตรสัทว์นะจงดําเนินตามพุทธวิธีของพระพุทธเจ้าใช้ธรรมะชนะอธรรมะนะก็ขอ จะินผ่นทุกท่านนะ